ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรานั้นเมื่อไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปแล้วอยู่อย่างนี้อวิหิงสาวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าอวิหิงสาวิตกนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าอวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย อวิหิงสาวิตกเนี่ยเป็นทางทําให้ปัญญาเจริญไม่ทําให้เกิดความคับแค้นอวิหิงสาวิตกนี่แหละเป็นไปเพื่อพระนิพพานสังเกตดูนะในสัมมาสังกัปปะที่ในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปในวิพังกสูตรสัมมาสังกัปปะเป็นเช่นไหนเนเขมมะสังกัปปะอพยบาสังกัปปะอวิหิงสาสังกัีปแหละมัสังกัปปะกุศลสังกัปปะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า อันนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์มีคุณานิสงหาประมาณไม่ได้เพราะเป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่จะนําออกจากทุกเนี่ยนะพัะนพระองค์ก็บอกว่ามันมีแต่ดีโดยอย่างเดียวอ่ะเนี่ยนะอย่างสมัยใหม่เขาปฏิเสธวิตกปฏิเสธตรึกเนี่ยนะมันก็เท่ากับปฏิเสธองค์มรคไปหนึ่งองค์ละเนี่ยนะคือในบรรดามรคแปกเนี่ยถ้าปฏิเสธอันใดอันหนึ่งมันก็บรรลุไม่ได้เนี่ยนะซึ่งใครว่าต้องมีองค์แปดมาประชุมกันพระองคบอกว่าอริยะอั น, นะอริโยอัตถังขิโกเนี่ยนะอริเมวะอริยะ อธิษฐาโกมัคโคอายากเมวะอันนี้เท่านั้นเนี่ยต้องประกอบไปด้วยองแปดเท่านั้นว่ะถ้าไม่มีองแปดมันบรรลุไม่ได้ถ้าปฏิเสธเอาองค์หนึ่งทิ้งไปเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าร่างกายของคนสมบูรณ์แบบก็ต้องมีตามีหูมีจมูกมีปากมีหัวมีแขนมีขามีลําตัวเป็นต้นก็บอกแม้หัวไม่จําเป็นอย่างเงี้ยอยู่ๆก็บอกหัวไม่จําเป็นอีกภาคหนึ่งก็บอกแขนก็ไม่จําเป็นแล้วหนักๆเข้าขาก็ไม่จําเป็น ภายในอีกเอ๊ะตับก็ไม่จําเป็นเกินไปหนักมากนะเอ๊ะปอร์ดก็ไม่จําเป็นอัะนั่นก็เกินไปท่านทำไมต้องตัดทิ้งเท่านั้นทําไมกุศลธรรมก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยอยา่า พ, พระมหาคสป่บอกว่าเราทั้งหลายไม่พึงเพิกถอนสิ่งที่พระองค์สอนแล้วก็ไม่บัญญัติเพิ่มสมาทานศึกษาปฏิบัติตามที่พระองค์บอกนี่ก็ถือว่าเต็มที่แล้วล่ะเนี่ยนะถ้าหากว่ารักที่จะเจริญเหมือนั้นเถอะรักที่จะเจริญในธรรมวินัยใน ศาสนาของพระพุทธเจ้าปฏิเสธกุศลสังกัปะไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยตรึกไปเรื่อยคิดจะพลานไปหมดเลยเนี่ยนะคิดจะพุงพลาดซ่านไปหมดเล ย, ลเลยอันนั้นก็เกินไปเองเพราะไม่รู้ว่าแยกว่าสัมมาสังกัปะกับมิจฉาสังกัปะเป็นอย่างไรขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าตรึกอย่างนี้ก็ไม่ได้ตรึกคาดคเนกะเดาก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละ เรีกว่ามีหลักการมีความรู้มากพะนั้นสัมมาสังกัปปะเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงต่อจากสัมมาทิฏฐิเพราะการตรึกนั้นต้องตรึกเป็นไปตามสัมมาทิฏฐิแล้วที่ตรึกที่ถูกก็ดูจากสัมมาวาจาสิวาจาเท่าใดนั้นแปลว่าตรึกมาแบบนั้นแหละคนเนี่ยนะมันคิดอะไรมากก็พูดอันนั้นแหละมากผัวพันกับสิ่งใดก็จะพูดถึงสิ่งนั้น่ะมากมันถ้าเราจเจริญกุศลสังกัปปะบ่อยๆจริงๆเนี่ยเราจะพูดแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างบ่อย แล้วพระองค์บอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าเราจะตรึกจะตรองถึงอวิหิงสาสังกปะนั้นอยู่ตลอดทั้งคืนก็ดีเราก็ยังไม่มองเห็นภัยอันเกิดขึ้นจากอาวิหิงสาสังกปะนั้นเลยดูก่อนพิสูจทั้งหลายถึงหากเราจะตรึกจะตรองถึงอวิหิงสาวิตกนะอวิหิงสาวิตกกับอวิหิงสาสังกปะอันเดียวกันจะ อวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดขึ้นจากอวิหิงสาวิตกนั้นเลยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายหากเราจะตรึกจะตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดขึ้นจากอวิหิงสาวิตกนั้นเลยก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายเราก็เหน็ดเหนื่อย เมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็อยู่ห่างจากสมาธินะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรานั้นและดำรงจิตไว้มั่นในภายในนะด้วยอุปจาระสมาธิอัปนาสมาธิทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคับประคองสมาธิอันนั้นไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราหมายในใจเอาไว้ว่าจิตของเรา่าได้ฟุ้งซ่านอีกเลยนะก็เรว่าตอนแรกมันพอไปเอ๊ตอนปลายทาไมฟุ้งซ่าน มาคิดว่าติดตั้งใหม่คนที่เรียนคอมพิวเตอร์มาดีเนี่ยมันก็เข้าใจว่ามันเป็นการติดตั้งระบบทางความคิดคิดแค่ไหนจึงจะพอดีพวกนี้ประหยัดความคิดมากเลยเรื่องนี้ควรจะคิดแค่ไหนพอคิดถึงเท่านี้ปั๊บต้องเปลี่ยนความคิดไปเป็นเรื่องนี้คิดอย่างนี้ปั๊บแล้วคิดยังไงต่อไปมันจะได้คิดเจริญเติบโตขึ้น เขาเช็คตรวจสอบความคิดติดตั้งระบบความคิดตลอดเหมือนติดตั้งโปรแกรมนะเป็นเป็นแบบนั้นเลยติดตั้งทางความคิดว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดแต่ละอย่างควรจะคิดแค่ไหนและอย่างไรเนี่ยนะอันไหนถือว่าคิดมากไปแล้วนะคือถ้าหากว่าเราถือว่าความคิดเนี่ยเป็นอริยทรัพย์เนี่ยนะใครว่าเป็นคนใช้ทรัพย์เป็นนะใช้ความคิดเป็นก็เหมือนกับคนที่ใช้ทรัพย์เป็นแต่ละเรื่องควรจะคิดแค่ไหนและอย่างไรเพราะเขาคิดเป็นเนี่ยนะเขาจึงบรรลุมรรคผลนิพพานได้ แต่คนที่คิดไม่เป็นก็เฝ้าวะตะอย่างเดียวอยู่แล้วนะแต่คําว่าคิดเป็นในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าคิดเรื่อยเปื่อยคิดตามคําสอนของเราทั้งหลายในฐานะที่เรียกว่าพุทธทางสารนังคัจฉามิคิดตามคําสอนอย่างเดียวทยํายังไงที่จะทรงจําคําสอนแต่อย่าลืมว่าอย่าเอาอันหนึ่งแล้วปฏิเสธอีกอันหนึ่งเนี่ยนะอย่างเชนลยนะเขาบอกว่าโอ้บางคนก็อย่างที่ว่าพระพุทธรูปเนี่ยนะบอกโอ้พระเนตรสวยแต่พระพักไม่งามเนี่ยนะก็เลยว่าถ้าถ้าอย่างนี้ก็เสียหายแล้วละ่ะ เอาว่าให้ให้พอดีให้พอเหมาะแล้วกันในอัตถกาถาอธิบายว่าในหน้า229บทว่าอุปัชติอัพยาปาทาวิตัะโกอวิหิงสาวิตัะโกนั้นบอกว่าวิตกที่เกิดขึ้นพร้อมกับตุณวิปัสนาตุณะแปลว่าแรกเย้เนี่ยนะก็แปลว่าวิปัสนาเบื้องต้นหมายถึงสัมมาสน า, าน่าง ที่กล่าวแล้วในหนหลังนี้ใดตรุณวิปัสสนาก็คือสัมมสัญญ า, านเนี่ยนะที่ชิดพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปลวนไปเป็นธรรมดาเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเพราะเป็นไปกับชาติชรามรณาโศกะปริเทวะทุกขโทมานตและอุปาญาตเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่มีผู้ใดมีอำนาจว่าขอสิ่งที่ไม่เที่ยงจงเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์จงเป็นสุขเป็นต้นมันจึงไม่มีอัตตาจึงไม่มีสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา วิปัสนาที่เป็นไปแล้วท่านกล่าวว่าเนคขมวิตกวิปัสนาทั้งหลายเนี่ยนะสัมมสัญาาตีรณปริญญาท้องเรียกว่าเนคขมวิตกเพราะอัตตะว่าเป็นฆาศึกต่อกามเป็นฆาศึกนะเพราะคนที่เจริญวิปัสนาอย่างนี้เนี่ยนะถึงจะเห็นเรียกว่ารูปารมสัทธารมณ์ที่งามปานใดก็ตามก็จะบอกว่าจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แปดเปื้อนไปด้วยชรามรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกปริเทวทุกโธมนัตเล อุปายาตวัตถุอันนั้นก็จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสกรมเพราะอะไรเพราะปัญญานี้เข้าไปสอดส่องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบพันวิปัสนาเนี่ยนะวิปัสนาที่เป็นไปท่องเที่ยวไปโดยอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนานั่นแหละเป็นเนเขมวิตกเป็นตีรณปริญญาวิตกนั้นแล่ท่านกล่าวว่าอัพยาบาศวิตกเพราะเป็นฆ่าศึกต่อความปองร้าย นะเพราะว่าโทสะเนี่ยนะโทสะเนี่ยเพ่งโทษเพ่งโทษตามไม่เป็นจริงอะ่ะนะไม่เพ่งโทษตามความเป็นจริงแต่ถ้าปัญญาพิจรารณาโทษของสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงสังขารมีโทษเท่าที่มีอยู่เพียงใด ร, รู้ข้อเสียของสังขารอ่ะนะว่าสมมุติอย่างที่เเออเราเราชอบชอบอย่างไรเข้าใจแล้วว่าทำไมเราจรึงชอบแล้วข้อเสียของสิ่งที่เราชอบคืออะไร ปัญญานี่จะรู้จักข้อเสียของสังขารทั้งหลายรู้จักข้อเสียของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหลายรู้จักข้อเสียของตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายท่านรู้จักอัน น, ะ น, นั้นแหละมันก็เลยเป็นค่าศึกต่อปองร้ายแต่ขณะคนที่เจริญวิปัสสนานั้นไม่ใช่มีใจคิดประทุสร้ายด้วยโทสะต่อสังขารทั้งหลายนะก็เป็นความไม่โกรธเนี่ยนะเขาจะไม่โกรธ ส่วนอวิหิงสาวิตกนั่นก็หมายถึงวิปัสสนานั่นแหละเพราะเป็นค่าศึกต่อความเบียดเบียนอันนี้ท่านแสดงการละแห่งวิปัสนาอาศัยสมาบัติของพระโพธิสัตว์ด้วยประการชนีเนี่ยนะหมายคำว่าเจริญวิปัสสนาเสร็จแล้วก็เข้าสมาบัติเนี่ยนะเจริญวิวปัสสนานำหน้าพิจารณาสังขารทั้งหลายเนี่ยนะพิจารณารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยางละเอียดเลวประณีตใกลใกล้ ทั้งหมดพิจารณารูปทั้งมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่พิจารณาว่าเที่ยงพิจารณาว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่พิจารณาว่าเป็นสุขพิจารณาว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่พิจารณาเห็นว่าเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ย น, นะพอที่ใช้ใครควรมากๆมากๆเข้ามันเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปรับจิตจะฟุง้งท่านก็จเจริญสมาธิต่อก็พระโพธิสัตว์นั้นมีสมาธิบ้างมีตรุ ṇ ะวิปัสนาบ้าง หมายเขาสมาธิก็คือสมถะตุณวิปัสสนาก็คือสมัมมสนายานี่นะก็คือตีรณปริญญาถ้าตีรณปริญญาเจริญไม่เป็นก็ไปอ่าน น, นั่นแหะอาทิตตปเ ย, ยสูตรอ่านอนัตตลักษณะสูตรอ่านพวกนาตมหาตุ ก, กะสูตรหรืออ่านอีกหลายสูตรเนี่ยพวกนี้สอนเรื่องตีรณปริญญาทั้งหมด น, นั่นแหละหรือราหุนสูตรเนี่ยราหุนสูตรเป็นต้นพวกนี้ตีเอ่อตุณวิปัสสนาทั้งนั้นแหะเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นนะ่ยตั้งวิปัสสนาแล้วก็ประทับนั่งนานเกินไป เจริญวิปัสนาพิจารณาขันอายตนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฟีเป็นลูกซ้อนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นของผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ยนะเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์เป็นอนัตตาเป็นไปกับชาติชรามรณะโสกกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตเมื่อนั่งไขควรอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้านั่งนานเนี่ยมันก็พระวรกายก็ลําบากพราะกายลําบากก็ร้อน ดุดไฟในภายในมันร้อนอ่ะนะเงือท่วมเลยแหละนะถ้านั่งนานๆแล้วไม่พริกเนี่ยร่างกายเนี่ยร้อนระอุเลยแหละพระเสโทคือเงือทั้งหลายก็ไหลออกจากพระกัจฉะแต่ว่าเงือ่ออกรักแร้เลยเราอาจจะออกหน้าผากเลยซ้ําไปะนะไออุ่นจากพระเสียนก็เป็นดุดเกลียวตั้งขึ้นเแปลว่าปวดหัวเลยแหละนะปวดหัวไม่ได้ปวดจากเกิดจากวิปัสนาเกิดจากการนั่งนานเกินไปะนะ เพราะฉะนั้นใจก็เลยเดือดร้อนกระสับกระสายใจก็ฝุ่งซ่านจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ส่งเข้าสมาบัติบริกรรมสมาบัตินั้นทําทให้อ่อนให้เบาพระไถยหมายคำว่าเจริญสมถะทั้งหลายเจริญเมตตาเจริญพรห ม, มิหารเจริญกสินเจริญอสุภะอย่างใดยอย่างหนึ่งเนี่ยนะใ ห, ให้ใจเนี่ยเบาก่อนเมื่อใจเบาก็ตั้งวิปัสสนาอีกเมื่อประทับนั่งนานนักกายก็เป็นอย่างนั้นอีกเนี่ยนะ ก็พระโพธิสัตว์นั้นทรงเข้าสมาบัติแล้วก็ทรงเข้ากระทำอย่างนั้ น, นนะคือท่านตอนแรกเนี่ยท่านจะท่านจะกำหนดเวลาได้เลยว่าวิปัสสนาของท่านเนี่ยควรจะเกิดยาวต่อเนื่องได้เท่าไหร่นะพิจารณาอย่างเช่นพิจารณาวรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เกลือกลั้ดด้วยชาติชารามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมณัตและอุปาญาตไขครวญโดยแง่มุมต่างๆเนี่ยปริมาณการพิจารณาบางทีอาจจะได้ชั่วโมงเดียว นะถ้าชั่วโมงหนึ่งถ้าเกินชั่วโมงไปแล้วจะฟูงพ้นก่อนที่จะถึงหนึ่งชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนอารมณ์ก่อนไปเจริญส ม, มถะเนี่ยนะเสร็จแล้วพอจิตสงบระดับหนึ่งก็เริ่มใหม่ก็เริ่มเจริญเรียกว่าสลับกันพันสมถะกับวิปัสสนาจึงควบคู่กันไปควบคู่นี้แปลว่าเจริญสลับสลับแค่สลับทางความคิดเนี่ยนะแค่เปลี่ยนวิธีคิดมันก็เป็นส ม, มถะเปลี่ยนวิธีคิดก็เป็น วิปัสสนาเอางี้นะครับคิดบางอย่างก็โลภขึ้นมาทันทีเลยใช่คิดบางอย่างก็โกรธขึ้นมาทันทีที่โลภ ก, กับโกรธนี่ฝึกจนชํานารมก็ไม่ยากใช่ไหมคิดให้ชอบก็ได้คิดให้ชังก็ได้คิดให้โกรธก็ได้คิดจะเอาก็ได้อะไรก็ได้นีนะ่คิดจะไม่เอาก็ได้อะไรแต่ถ้าเป็นทางธรรมเนี่ยตรงกันข้ามเป็นการเจริญสัมมาสังกัปะที่เป็นการเจริญคุณธรรมทั้งหลายเพราะอะไรเพราะการเจริญสลับกันไปเนี่ยนะสมาบัตินั้นมีอุปการะมากแก่วิปัสสนา สมาบัติเนี่ยนะสมาบัตินี่มีอุปการะมากกับวิปัสนาสมาบัตินั้นเปรียบเหมือนอะไรบางทีก็เปรียบเหมือนกับข่ายนะกับข่ายเปรียบเหมือนกับค่ายทหารเนี่ยน ะ, ะเปรียบเหมือนธรรมดาโล่มีอุปการะมากแก่ทหารทหารนั้นอาศัยโล่นั้นแล้วก็เข้าสงครามครั้นเมื่ออาวุธทั้งหลายที่ใช้ในการรบรวมทั้งเหล่าช้างเหล่ามา้าเหล่าทหารในสงครามนั้นหมดไปคงมีแต่ความเป็นผู้ใคร่จะบริโภคเท่านั้น เสร็จแล้วก็กลับไปยังเข้าค่ายพักหมายคือว่าเมื่ อ, อทําสงครามเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะศึกครั้งนั้นอย่าศึกไปก่อนชั่วครู่เพราะอย่าศึกกันชั่วครู่ทําไงก็เข้าค่ายพักที่มันปลอดภัยหน่อยนะเสร็จแล้วก็จับอาวุธทดลองบริโภคเดิมบ้างจอดเกราะทํากิจนั้นๆนทํานะรรกิจในอะไรนะกล่าวว่าทํากิจอยู่ในค่ายเพราะทำกิจเสร็จก็เข้าทำสงครามอีกกล่าวว่าออกทําสงครามอีก หรือทําการรบในสงครามนั้นทีนี้พอทําสงครามรบไปก็เกิดปวดท้องขึ้นมาปวดปัสสาวะอุจจาระไปถ่ายเรียราดทั่วไปหมดเดี๋ยวก็ขอขาดนะนะก็ต้องเข้าค่ายก่อนเพราันกิจอันควรอันใดที่ทําในค่ายพอทําเสร็จ น, นะพอร่างกายสบายก็เข้าสงครามต่อไปอีกสมาบัตินั้นจึงเป็นเหมือนกับค่ายพักสมาบัตินั้นมีอุปการะมากแก่วิปัสนาเหมือนค่ายพักมีอุปการะมากแก่ทหาร แต่ไม่ใช่ทหารเนี่ยเอาไปหัวโหดไปทิ้งอะไรนะแม้ห ม, มกตัวอยู่ในค่ายอย่างเดียวถูกเผาค่ายแนย่ถ้าไม่มีการรบตามการเนี่ยคนะ่ายถูกเผาแต่ว่าอยู่นอกค่ายไม่จำเป็นต้องมีค่ายแต่ถ้าศึกไม่ยืดเยื้อก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าศึกยืดเยื้อเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนจะต้องอาศัยเข้าไปอยู่ในค่ายก่อนขณะเดียวกันเนี่ยนะวิปัสสนาก็มีอุปการะมากแก่สมบัติ ือเมื่อกี้บอกว่าสมาบัตมีอุปการะมากแกวิปัสนาขณะเดียวกันวิปัสนาก็มีอุปการะมากแกสมาบัติกว่าข้ายพักของทหารที่ประสงค์จะระงับสงครามคือทหารที่ต้องการจะให้เสร็จสิ้นสงครามโดยฉับพลันเนี่ยนะเฝ้าข่ายเลยใช่ไหมแมทัพทั้งหลายนายพลทั้งหลายคนที่เก่งทั้งหลายเนี่ยนะนักรบหัวหอกทั้งหลายเฝ้าข่ายอย่างเดียวบอกงั้นไม่สาเร็จหรอกเนี่ยนะก็ต้องทาไงก็ต้องออกรบละละออกสู้ศึกกัน พันวิปัสนามีอุปการะมากกว่าค่ายนะ oh. การเจริญวิปัสนามีอุปการะมากกว่าสมาธิแต่ถ้าสงครามมันยืดเยื้อเนี่ยค่ายยังไงก็ดีอ่างนั้นนะค่ายยังไงก็ดีมันถ้าไม่มีค่ายเลยก็เดือดร้อนก็ควบสลับกันไป <Yeah. S 1> จริงอยู่พระโพธิสัตว์ทรงอาศัยสมาบัติเจริญวิปัสนาแม้ก็จริงแต่วิปัสนาที่มีกำลังย่อมรักษาสมาบัติทาสมาบัตินั้นให้เกิดกาลัง คืออุปการะเกื้อกูลกันกลับไปกลับมาคนที่มีปัญญามากสมาธิตั้งมัน่นอนนคนฉลาดเนี่ยนั่งพักผ่อนสบายไหมคนฉลาดจริงๆเนี่ยนะโอ้ยรู้เลยว่าบางเรื่องคิดแค่ไหนพอคิดเสร็จก็สบายแล้วอนนแล้วสบายเสร็จรู้ด้วยเวลาไหนคนจะคิดเรื่องอะไระเพราะขาแบ่งภาคแบ่งภาคเป็นคนที่เจริญสมถาวิปัสสนาเนี่ยก็แบ่งภาคเป็นเนี่ยนะยิ่งมีปัญญาเท่าไหร่ก็ยิ่งสบายเท่านั้นเนี่ยนะ